เราม่เ ร, าเรียนตามพ่อก่อตามครูไม่ต้องส่มไม่ต้องส่มหามีสูตรเมื่อเราเรียนวิชาศาสตร์ต่างๆมันมีสูตรคณิตศาสตร์ระมีสูตรสองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่เป็นสูตรสำเร็จเป็นอื่นไปไม่ได้ สอ้าก็เป็นสิบต่ให้เป็นยี่สิบสามิบไม่ได้โชดมันถูกต้องนี่เร า, าเรียนภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคเหตุผลความคิดสมองเป็นภาคที่สัมผัสเอากายเอาใจไปสัมผัสกับความรู้สึกตัวตาต่อตา มีหลงมีโลมาพร้อมกันมีสุกมีทุกมาพร้อมกันมีอันอื่นมีโกรธมีไม่โกรธมีหลงมีไม่หลงมาพร้อมกันมีเกิดมีไม่เกิดมีเจอมีไม่เจอมีเจ็บมีไม่เจ็บมีตายมีไม่ตายเป็นสูตรแบบนี้อย่าไปยอม เรามามีความรู้ก็ได้ความรู้เรากายไปต่อออกนั้นเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลอยู่เราเคลื่อนไหวให้มันรู้เราเดินให้มันรู้เราคิดให้มันรู้ประหยัดประยัดใช้จ่ายชีวิตเฉพาะเรื่องลองดูเรียกว่าวิชากรรมฐานวิชาที่ตั้ง ฐานคือที่ตั้งกรรมคือการกระทำให้หมีการกระทำให้หมีที่ตั้งอย่ากระชุยกระายไปเป็นอื่นตั้งฐานะไว้ก่อนเหมือนเราสร้างฐานะประห ย, ยัดประหยัดอดทนอ้างว่าร่อนนักเหน้านักหิวนักเตยนักไม่ได้อ้างว่าหิวนัก อ้างว่ายังเช่าอยู่อ้างว่าหน่วยนักไม่ได้เรียกว่าอดทนยาชิงเหล่านี้มาต่อรองเรียกว่าขยันอดทนใะหยัดมีสลึงถึงเหมือนจบไม่ครบบาทด่าสูร้รยสุดลายใบห้าจินสิบมันไม่มีฐานะ เป็นเป็นอัานะการการทำที่เป็นกรรมาฐานก็เช่นกันในหลักเดียวกันเราเรียกว่าสมรวมการใช้วิจารเพื่อเรื่องเวลานี้มีสติไปในกายมีสติไปในจิตใจให้กายให้รู้ใช้ใจให้รู้อย่าใช้กายให้หลงอย่าใช้ใจให้หลง เราใช่กายผิดประเภทเราใช่ใจผิดประเภทมานานแล้วหลงก็ยังใช่อยู่ทุกข์ก็ยังใช่อยู่สุขก็ยังใช่อยู่โกรธก็ยังใช่อยู่ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจยังใช่กันอยู่เวลานี้เรามาต้องไปใช้ให้ใช่เป็นความรู้สึกตัวทดลองดูพิพสูจน์ดู เราก็มีภาระต่อกันแล้วภาระเกิดขึ้นแล้วต่อเราภาระเกิดขึ้นแล้วแต่ผู้อื่นมีผู้บอกเราก็ต้องเชื่อฟังในตัวเราเราก็ต้องทำตามผู้บอกผู้บอกผู้สอนก็สอนในตั้งในความดีผู้ฟังก็ให้ตั้งในความดี จะเอานี้ใส่เดิมเดิมมาใช่เคยคิดสลุยสุดล้อยหอบความลอะของความเกียดชังหอบความได้ความเสียมาไม่ต้องเอาไม่ ว, ว่าสรุยสุดล้ายเฉพาะเรื่องนี้ที่ ว, ว่ากรรมาฐานวิชากรรมาฐานเป็นวิชาถักสิทธอทิศ การกระทานี้ทําตามพระพุทธเจ้าสอนหรือว่าอุทิศอรหันตังสมมาสมพุทธังทาตามที่พุทธเจ้าสอนเรามีภาษาที่สมาทานคำสานอิมหังพะกวาอัตาภาวังอัมหังกังปริสัจชามิพระพเจ้าไปปฏิบัติตามคําสอนของพพุทธเจ้า เราใช้เลือดเนื้อชีวิตนี้อัตาภาภวังอมากังเลือปฏิบัติทำให้แจ้งนิพพานัสมพันเตสัจจิกระดถายากบมาถานังเทหิจะทำให้แจ้งให้เกิดมาาเกิดผลให้เลือดเนื้อเหมือเอ็นกระดูกจะพูพังไปข้อตามจะไม่หยุดให้มันเช่มแข็งขนาดนนั้น มีศรัทธามีความเพียรมีสติใจดีเมตตากรุณาเป็นทุนตทาเป็นทุนไว้เสมอไม่เหงาแห้งมัดนใสนิสัยให้ลูกนิสัยให้อดทนทัานนิสัยให้มีความเพียรอย่ามาักง่าย เวามันหลงเขตหลาบให้มีความรู้ในความหลงนั่นอย่าให้หลงเป็นหลงไปหลายครั้งหลายคราวหลงที่ใดรู้ทีนั่นมีนิสัยรู้อย่ามีนิสัยหลงเรียกว่าโมหะจริตมีนิสัยรู้ด้วยพุทธจริตจริตเป็นพุทธขึ้นมา โมหะจริตจริตเป็นโมหะไปทางต่ําไปสู่ภพภูมิหน่ำต่ำไปสู่นรกเปรตสุรกายสัตว์ฉานโมหะจริตก็ พ, พุทธจริตไปสู่พุทธเจ้าเป็นพุทธะปิตบัยภูมิไปสู่มรรคผลนิพพานได้นัไปสูตรลองดูอย่าทำมันเดินในชีวิต เป็นส่วนตัวจะลิกไปคนเดียวเปิดที่บทคนเดียวผิดถูกผิดแก่คนเดียวถูกทำคนเดียวไปก่อนไม่มีความชอบความสงบยินดีในะความสงบสงบไม่ใช่สงบไม่รู้อะไรสงบจากสิ่งองื่น อยู่ในที่สงบมีสติผู้ใดมีสติจะอยู่ที่บ้านที่เมืองอยู่ที่ป่าที่ลุ่งที่ดอนที่นั่นเดี๋ยวที่สงบที่ลื่นลมไม่ใช่อยู่เมืองอย่างหนึ่งอยู่ป่าอย่างนึ่งอยู่ในที่สงบยินดีในที่สงบยินดีในความมีสติยินดีประหยัดเฉพาะเรื่อง นีสติมันอยู่ตรงนี้แน่นอนตังต้นจากสติกาหนดกายให้มันรู้ไปในกายมันก็มีอยู่วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่กำหนอการทำฐานคือที่ตั้งไว้ให้มันรู้มรูปแบบของกรรมฐานจะเป็นการเคลื่อนไหว กายาอนนัปนาัามีสติเป็นในกายไม่ใช่คิดเป็นการสัมผัสรูปแบบความปรฐานสติประฐานชีทั้งหมดของชีวิตมีสติประฐาน4ีทั้งนั้นแล้วจะจับบับพระตรงไหนเอากายบับพระเรือว่าเอากายมาเคลื่อนไหวงไหายใจก็เป็นบับพระไต้จิตที่มันคิดอะ กิตต บ, บ, บพะให้มันรู้อย่าให้มันคิดฟรีๆไปดิเพไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจไม่ต้องไปคิดเวลนานี้ก็ไม่ควรตั้งใจคิดอย่างอื่นให้เหมตการกระทำกรรมฐานตั้งใจให้มันรู้เท่านั้นสํารวมลงแต่ชีวิตหมามันก็จือ๊อกระใ้เกินไป คิดเลก็คิดได้มันผิดประเภทถ้าใจเหมือนมีดมันก็ใช่ผิดประเภทไปเสียควมเป็นมีดใช่ไม่ได้แล้วใจบริสุทธิ์เดิมเปิดเปืื่นไปหลายหลายอย่างเดินไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรั้งที่ได้ก็เปลืป่นอันอื่นมา มันคิดประเภทเราจะมาใช้ใจให้มันรู้คิดถึงใดประกอบด้วยเมตตามีสติมองอะแง่ดีเข้า ใ, ใจแต่อย่าไปหาเรื่องที่คิดคิดมากๆในกรรมฐานก็เป็นจินตยานไปไม่ใช่กรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาได้แต่เหตุแต่ผลได้แต่ความคิดมีเหมือนกัน กิจทยานนิปัญโญเป็นกิเลสประเภทหนึ่งเหตุผลเต็มตัวแต่ทําไม่เป็นรู้ว่าความโกรธไม่ดีความทุกข์ไม่ดีดอ น, นั่นตอบได้แล้วแต่ยังโกรธยังทุกข์มันเป็นกิจทะยานเกิดจากเหตุผลเหตุผลไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่เหตุผล สัมผัสทุกก็เป็นทุกไม่ทุกก็ไม่ทุกทุกไม่เป็นธรรมความไม่ทุกเป็นธรรมเป็นกานตอบเองเป็นปัจจิตตังไม่ต้องถามใครโกรธไม่เป็นธรรมไม่โกรธเป็นธรรมหลงไม่เป็นธรรมไม่หลงเป็นธรรมสัมผัสดูวเป็การสัมผัสเอาเป็นปัจจิตตังไม่มีคําถามไม่จะคำตอบ นี่เรีวยกว่าปรมัตถาสภาวะธรรมควมหลงเป็นสมมติควมไม่หลงเป็นปรมัดจริงขั่วกันความทุกข์เป็นสมมติควมไม่ทุกข์เป็นปรมัดมันจริงขั่วกันความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรมัดมันมีเท็จมีจริงอย่างนี้ชีวิตเราต้องใช้แม่นยำชัดเจนแบบนี้อย่าปนเปกันไป มันก็หลงทิศหลงทางไปเสียแล้วถ้ามันหลงมันก็เกิดแจ็บเจ็บตายเกิดดับเปิดดับกรรมฐานนี่มันเป็นมักเป็นผลมันหลงรูเป็นผลหลงเป็นเหตุรูเป็นผลเจ็ทุกข์นี่มันเป็นผลเแต่มันหลงก่อนจ็บทุกข์ เหตุจริงๆมาอยู่ที่หลวงนี่หละเป็นบิดามารดาของขวมชั่วขวมหลวงเนี่ยมีไม่มากรวมลูกเป็นบิดามารดาของความดีมีไม่มากตั้งต้นตรงนี้เหยียบเช่นทางให้ถูกแน่มาเกิดที่เดียวแต่จะมันไปคนละทางเหมือนทางสี่แพ่งห้าแแ่งสามแพ่ง แยกกันตรงที่ต้นทางแต่มันหมายปลายทางมันไปทวนอทิตย์ละทางไม่ถึงสุดตรงว่างอันบ้างไม่ถึงจุดหมายปลายทางจึงก้าวแรกให้ถูกเปลี่ยนหลงเป็นลูกเป็นก้าวแรกถ้าไม่ไม่ก้าวแรกไม่ก้าวที่สองก็ไม่มีถ้าก้าวแรกผิดก้าวที่สองก็ผิดเหมือนปิดกระดุม ผิดกระดวมผิดลูกแรกลูกที่สองก็ผิดก็ไม่ผิดลูกแรกลูกสองก็ไม่ผิดมันไม่ยากเหตุมันอยู่ที่หลงนี่แหละจะทำไงไม่ต้องอ้อนวอนก็ททำลงไปเลยาศาสตานี้ไม่ใช่าศาสนาอ้อนวอนไปาศาสหาร์การกระทาจริงๆต้นอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมา ไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่มีอย่างนี้นี่เลยว่าอยู่ตรงนี้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการตรงเป็นการตรงเหตุผลไม่ตรงสุขทุกข์ไม่ตรงพอใจก็ไม่ตรงไม่พอใจไม่ตรงมันตรงที่มันรู้เนี่ยถ้าจะเป็นตัวเฮี้ย เหี้ยมันอยู่ในรูรูมันมีทางออกทางเข้าหกรูปิดเสียรูทั้งหมดขุดตามรูเดียวคือรูนี้ไปจะจับตัวเหี้ยได้เหี a, ้ยคือกวาไม่ดีลู่เข้าไปลูไปนั้นเหตุนั้นผลเอาไว้ก่อนว่าแต่สร้างตัวลู่เข้าไปปฏิบัติตรงแล้ว นี่คือมันหลงรูปตรงที่สุดก็มาฐานเบื้องต้นจะเจอต่อหน้าต่อตาสองอย่างนี่แหละอันรูปมันหลงไม่มีใครไม่เห็นตรงนี้นอเจตนาที่จะตั้งไว้ที่กายเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะพี่ารณ์ทีหนึง่งรูปทีหนึง่งสิบสี่รูปสิบสี่จังหวะแต่มันไม่รูปทุกจังหวะมันหลงมันแหละเปลี่ยนหลงแหละเป็นรูปเอาเลย จะเกิดอะไรก็เกิดอะไรก็อยู่ตรงนี้เรียกว่ากรมมฐานเมื่อมุนลูป ม, มากในความหลงลูปมากมันก็เปลี่ยนอาจจะเป็นความหลงครับสุดท้ายถ้าไม่มีความหลงก็ไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์กาทุกข์ก็เท่างไปถึงโทสะโม ห, หนะนะครับจิตนี้เฉยไปเลยมาเป็นพวง คชั่วก็หมดไปเป็นพวงความดีก็เกิดขึ้นเป็นพวงเมื่อมีความรู้มันก็เล่ความชั่วเมื่อมีความรู้มันก็ทาความดีเมื่อมีความรู้จิตก็บริสุทธิ์ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องอธิษฐานมันเป็นไปเองทำให้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ให้มันรู้รู้ใครก็รู้เรานั่งอยู่นี่รู้กันมาทั้งหมด จบมาทั้งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของสารนักศึกเป็นเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆลูม่มาม้าเกิดไม่เป็นทําไม่เป็นมาหัดให้มันเป็นเนี่ว่ากรรมาฐานพวกเราอํานวยความสะดวกให้พวกเราได้ทํารื่อนี่กันทำทุกวันแจ๋ทาแจ๋กาลังแจ๋หน้าที่ของเรา ชวนก่นให้มีสติอย่าท่าทางมีสติอย่ามีขี่อย่าทาทางในความหลงอยู่หน้ารู้ตาก็ถ้าทางในความรู้อู่หน้าหรู้ตาถ้าทางในความหลงก็มีปฏิบัติทำมันที่น่าดําข้มเคียดพอไปถามดูก็จริงมันเครียด มันคิดมากมันง่วงนอนไม่มีสีสันไม่ชื่นบานมันยากเอายากเอาง่ายเอาผิดเอาถูกเพรานั่นทําให้ถูกสติมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายสติมันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกมันผิดก็เห็นมันผิดมันถูกก็เห็นมันถูกไม่ใช่เป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูก ไม่ใช่เป็นผู้ยากเป็นผู้ง่ายเอออย่างนี้ดีเอออย่างนี้ไม่ดีไม่ใช่กรรมฐานแบบนั้นนี่จะเห็นเบาๆเห็นเป็นมากไม่เป็นเป็นผลมันผิดเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดมันก็ลบเหลือนี่ส้อมแล้วส้มที่มันผิดมีรอยความผิดมีรอยความถูกมันส้มแล้ว มันก็เป็นอย่แน่งกรรมฐานนาะมันทันทีไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับวิชากรรมฐานเป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาทันทีกรรมฐานสิบสจังหวะได้สิบสี่รูปไม่มืนมีความรู้ไปกับกายเคลื่อนไหวสิบสี่รูปจะไม่มีที่ตั้งมันไม่อยู่มันหลุดไปข้างหน้าหลุดไปข้างหลังไม่มีปัจจุบัน มันมีอดีตมันมีอนาคตมันมีปัจจุบันชีวิตของคนเนี่ยบางทีอดีตมันมาอยู่ปัจจุบันมันผิดประเภทอนาคตก็มาอยู่ปัจจุบันมันผิดประเภทจับสนมุ่นว้อยหมดไม่เป็นระเบียบของการใช้ชีวิตเอลานอนหาเรื่องมาคิดนั่นก็ผิดคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนเชืราคิดคืนข้างหลังมันก็ผิด ทิงปัจจุบันหมดเลยมันจะเป็นอดีตเป็นอนาคตมันก็ต้องเป็นปัจจุบันเจ้าก่อนก็ปัจจุบันไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่ไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตความดีก็มีแต่ยากละของชั่วก็จะยากมันต้องละเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยคือของจริงเลยนะทําได้ทุกอย่างมันหลงเปลี่ยนหลงไปลูกปัจจุบันเนี่ย ถ้ารู้อยู่วันนี้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าก็รู้ถ้าหลงอยู่ชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าก็หลงชั่วโมงหน้าต่อไปเอาไปถึงชั่วโมงหน้าก็เป็นอดีตไปแล้วต้องอดีตต้งอนาคตก็มีแต่หลงถ้าไม่มีปัจจุบันนนี่คือความจริงของชีวิตจึงหาวิธีที่จะตั้งไว้ให้เป็นนิมิตอวัยวกายเป็น น, นิมิตตั้งไว้ มันจะไปไหนอ่ะมันอยู่ที่นี่อให้มั่นใจตรงนี้มันจะคิดไปไหนกลับมาลู่มันทุกแง่ทุกโพมันจะสุขจะทุกข์ก็เห็นมันตามวิชากรรมฐานกายยานุปจนาสติปัฏฐานมีสติเห็นกายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกบายอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกบายาก็จัดตะว่ากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขานั่นล่ะ พุทเจ้าเฉลยให้แล้วยอดเยี่ยมแล้วไม่ต้องไปสูมหาเหตุผลน้ำชิดอะไรต่อไปก่อนเฉลยไปก่อนมันยังไม่ลงตัวมันก็จะลงตัวต่อไปเหมือนเราเรียนวิชาต่างๆก็ไขอไขไปก่อนอ่านออกเขียนได้ต่อไปก็เป็นความชำนาญหรืว อนุบาลปฐมมัธยมอุดมแปลได้ก็หัดไปก่อนเหมือนกับสติอยู่ปลายเคลื่อนไหวรู้แขนเข้ารู้สึกเหียดแขนออกรู้สึกเหมือนกับเรียนกอไก่หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเหมือนกับเลียนคอไก่อยู่ในกระดานเหยียดคอไก่ก็แขนก็ไก่ติดตามันมีเลนมันมี คอมพิวเตอร์ในชีวิตเราเนี่ยมันเป็นสัญญามันเป็นวิญญาณมันติดได้มันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณในขันธ์ห้าในธาตุสีขันธ์ห้ามันติดแต่เราจะให้สัญญาอะไรมันติดล่ะบางทีว่าติดหลักาจลิตถันติดโทสะจลิตใช้มากเกินไปก็ติดไปทางนั้นมันสัญญาแบบนั้น เป็นเปรตแล้ก็เป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสุรกายเป็นสนันนิษฐานก็ดีฉาดโง่มันหลงกว่งู้่ในความหลงนั่นมันโกรธกว่งู้่ในความโกรธนั่นไม่อายใครมันทุกกว่งู้ในความทุกนั่นหรื อ, อสุรกายาสุรกายคือมันไม่พัฒนาหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่ใช่อสุรกายเป็นลักษณะของสัตว์ มนุษย์สาดิรักฉาโนหน้าตาล่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตปัญญาณเป็นอสุลกายไม่อายในความหลงไม่อายในความโกรธไม่อายในความทุกข์เอาไปอวดกันได้ดื้อด้านเหมือนสั ต, ตามตามความหลงรไปก็ไม่รู้จักอิ่มหิวอยู่บกบ้องอยู่เป็นนิดหิวรูปหิวรสหิวกลิ่นหิวเสียง ยินห ม, มผมผมโจกพอกมันหิวทางจิตปัญญาณเนี่ยนะไม่มเป็นผู้ภูมิหนังเราจึงมีสติมันจะลู่หลอกปิดได้แน่นอนพกภูมิอบเยอะภูมิภูมินต่ําเนี่ยหลงเป็นผู้หลงไปทางต่ําเวลามันหลงลู่ไปทางสูงแบบเนี้ยกาลังจะเปลี่ยนภูเปลี่ยนชาติ เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ไปแล้วเป็นมนุษย์เราสูงขึ้นไปแล้วเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธเห็นมันเหนื่อยไม่เป็นผู้เหนื่อยเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเห็นมันยากไม่เป็นผู้ยากเห็นมันผิดไม่เป็นผู้ผิดเห็นไปเห็นไปเห็นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้ไปไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นมันก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ด้วยผมไม่จน ไม่ต้องคนผมผมพ่อเหลืองผมมัจจรมรีโสตป ร, ริโบนสิ้นเชิงในชีวิตของเราเนี่ยถ้าไปเป็นก็เปิดเพืเ่อนไม่ชื่อว่าผมมัจรนภิกษุคุณคิดหนลมที่คุณคิดเป็นหลาค่าจริตเป็นเจาชาจริตไม่รู้จักสลัดความคิดออกถือว่าไม่ใช่สำนา้าอ้างตนว่าเป็นสำน้ ไม่ใช่ผูกพฤติ พ, พรหมจรรก็อ้างตนเมื่อผู้ประพฤติพรหมจร์เธอคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดไม่รู้จักสติไม่มีสติไม่สลัดความคิดออกศินของเธอทะลุแล้วสินของเธอด่างแล้วพ่อยแล้วส่วนที่สุดใดคุ้นคิคดแม่ชีใดคุ้นคิคดในลมที่คุ้นคิดเธอมีสติสลัดความคิดออกถือว่าสินของเธอ เตอว่าถือว่าเธอรักษาศีลแล้วเธอมีศีลแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่ใช่ปานาติป า, าตาเบระปนิจกัสปะทางไม่ใช่สมาธานไม่ใช่ศีลแบบนั้นศีลฉิกขาศีลจะหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูปเป็นศีลนะ่ะเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนทุกข์เป็นรูปนี่แหละศีลนะ่ะนั่นจะบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆไปเรา เป็นยังไงชีวิตของเรามาถึงวันนี้มันหลงหรือว่ามันรู้มากกว่ากันอ่ะถ้าหลงก็ไม่เป็นธรรมเราเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้มนีใจก็พึ่งใจไม่ได้นะจึงมาหัดเนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้เท่าที่ทำได้ให้ทุกคนเป็นคู่ที่ดูแลตัวเองมันก็จบไปง่ายการใช้เ์ก็เรียบง่ายขึ้น เราเคยใช้ชีวิตแบบบริการเรียกร้องการบริการไม่เคยพึ่งตัวเองอะไรก็สะดวกให้คนอื่นบริการให้นั่งรถทัวร์เพื่อความสะดวกที่นั่งสองที่นั่งจองคนเดียว จองสองที่นั่งคนเดียวเพื่อความสะดวกเรียกร้องความสะดวกคนอื่นยืนก็แ่่งหอวมันแต่เราจองแล้วคนรถเขาบอกว่าเขาจองทั้งสองที่เราอย่าไปแย่งเขาแล้วก็มีสติไปละไม่ดูจักบริการตัวเองใช้ชีวิตให้หมันง่ายๆอย่าไปเรียกร้องการบริการสะดวกเกินไป ผมทุกข์ามยากทำเราเข้มแข็งรวมสะดวกทำเราอ่อนแได้สู้มันเหนื่อยเห็นมันเหนื่อยทนสักหน่อยความอดทนเป็นเครื่องเผาชิลิตอย่างยิ่งมันจะต้องมีแน่นอนความอดทนในเขาที่เราปฏิบัติเหมือนพระชิตะตั้งสัจจะอธิษฐานในวันตัจรู แม่เลือดเงื้อเงื้อกระดูกจะผ้พังไปก้อตามเราเจ้าจกไม่ทอถอยในเรื่องนี้มันจะพังไปก็ตามกระดูกเนื้อมันจะเหงือดแห้งลงอ้ตามเหมือนแจกก็กระดานนั่นแหลางท่าที่เป็นเจ้าฟ้าชายยุประสาทสามฤดูงานตั้งในต้นสีมาโพร้าวันจะขนาดไหน สุมสี่สุมห้าแบจนเกิดงานอะไรหลายอย่างพิเรฒมานขัดละบานมัจมานสังขารมานทีพระบุตรมานขามมากพราะหลงคิดถึงพิมพาก็คิดคิดถึงลหลาหุนก็คิดคิดถึงประสาทสารฤดูก็คิด ถึงความตายก็คิดไม่เคยใช้ชีวิตแบบนี้คิดถึงความสะดวกสบายเสาสนมกำนันในก็คิดคิดถึงพระราชาทรัพย์สินสะดึงงานก็คิดคิดถึงพระเจ้าจากักรพรรดิก็คิดถ้อยู่คนเดียวมีหญ้าขาห้ากบมือปูนั่งใต้ต้นไม้ก็ย่อมจะเปรียบเทียบกับโราไม่ได้เลย เราเนี่ยสงฆ์แท้ๆผู้เจ้าได้สร้างไว้ให้เราไม่ข้าวจิ้นจากจากกบุญเจ้าเราไม่ผ้านุ่งห่มก็ได้จากผู้เจ้าเราได้ที่อยู่อาศัยก็ได้จากผู้เจ้าจึงสะดวกเพื่อทําการนี่ลองดูมันไม่ยากนี่ประเทศไทยพุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดว่าอารามมีสงฆ์มีตัวมีตน แล้วมีคำสอนจริงๆไปเอาอะไรมาต่อรองอีกลองดูมันหลงมันลู้มีไหมมันต้องเจอแน่นอนภูเขาลูกแรกเอาแรกตัวเจอความหลงนี่แหละเจอความโมงเาหาหนอนเจอความคิดฝุ่งสอนเจอละคะพระยาบาทมันติดมา มันเป็นบินยานมันติดมาเราใช่ผิดเจอเร้วทําไมรู้นั่นแหละรู้แต่เพื่อเถื่อภาวะที่รู้อย่างเดียวเนี่ยรู้แต่เพื่อเถื่อไปนั่นร้อนก็รู้ไม่เป็นผู้ร้อนมันเหนื่อยก็รู้ไม่เป็นผู้หนื่อยก็จะเหนือไปเหนือไปเหนือไปเหนือไป มันก็เป็นละความชัก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นขณะที่เราหัดตนสอนตนอย่างเนี้ยฝึกตนคนเดียวอย่างเนี้ยไม่มีใครขอร้องไม่มีใครช่วยกันได้ตัวท่านหลงท่านก็เปลี่ยนหลงเป็นลูกเองตัวท่านทุกข์ท่านก็เตืยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองตัวไข่ตัวมันช่วยกันมาได้ ปฏิบัติด้วยตนเองพระเจ้าก็บอกอยู่แล้ ว, ว, ล ว, ล ต, วตัดไวดีแล้วเมื่อมีคุณหลงมันในความลู่อยู่ตัดไว้อย่างนี้พระธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติต้องทําด้วยตนเองหลงเองเปลี่ยนหลงเอาเองทุกเองเปลี่ยนทุกเอาเองต่อรองพ่อแม่ครูอาจารย์ไปช่วยก็ไม่ได้อาจารย์ ฉันหลงแล้วมาช่วยฉันหน่อยฉันทุกข์เรื่มาช่วยฉันหน่อยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเองการเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ไม่ยากเหงื่อไม่ไหลเลยุงย่ากกว่าต้องเอามือไปไล่ต้องเอาผ้าไปวีไปปัดเออเปลี่ยนหลงเป็นลูกนี่ง่ายเบาบางถูกต้องที่สุดเลยถ้าจะขยัน หลงไปสองนาทีสามนาทีสิบชีจังหวะหลงไปเฉยๆสิบจังหวะรู้เพียงสองจังหวะมันจะมีมากได้ยังไงให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเบาหวานลงไปเพื่อนไหวที่ใดรู้หลงไปด้วยความสดชื่นยิยม้มแย้แจ่มใสอย่าทำอะไรแบบยุ่งยากมันยากไ ม, ออไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบปกันใหญ่เรา บางทีเกิดยานหอบเสือหอบเผากลับบ้านมันยิ่งใหญ่นะเนี่ยมันหอบผิวชีวิตเราไปได้นี่มันกันมาอยู่เพียงนิดนิดหน่อยหอบบาดกลับบ้านก็มีบางทีอะไรามาตดลอมโดยมีพระมาจากภาคใต้มาอยู่เน่ยามเดือนจำพัรสาจบพรรษาแล้วไปเลย บอกว่าเสียเวล า, าอาจจะว่าสามเดือนมีเงินเป็นหลายหมื่ น, นอาจจะนี่สามเดือนไม่มีเงินจักบาท <laughs> เอาเงินเอาอาทอ้เหล็กัเล่กกลามาต่อรองจะแล้วเอาเหตุเอาผลมาต่อรองมันจะได้อะไรโศตายโศตายโสตา ย, ตา ย, ตายกรรมฐานคือการกระทำต้องเข้มแข็ง อย่าต่อรองก็หิดก็ไม่เอาถ้าถูกก็เอาโชคถ้าทุกไม่เอาถ้าไม่ทุกเอาถ้ายากก็ไปสู้ถ้าง่ายก็เอาอยู่บางทีมันต่อรองมาจากบ้านแล้วจะทําได้หรือเปล่ากลัวจะทําไม่ได้แไปเอาได้เอาไม่ได้มาต่อรองพอมันไม่ได้ก็อ๋อหน้อยเนื้อทํามใจ หงตาเคยคิดแบบนี้สมัยไปปฏิบัติสองว่นเทียนสี่สิบกว่าปีมาอยากรูปวนโลบาพควตรตกลโลกอยากได้สวรรค์ น, นิพพานจะทำได้ไหมนอเนอะควบาปว่ามาปฏิบัติก็เอาความได้ความไม่ได้ไปต่อรองเวลาปฏิบัติก็ไม่รู้อะไร นี่ติเหตุแต่ผลเต็มตัวตัวเองก็ได้ศึกษามาทิชากบบรรมฐานก็อมาเจอแบบกบบรรมฐานไหมก็ไม่ค่อยชอบเราเคยทำแบบอนาปาณาชติตอ้ายเจ้เข้ามันถ่าทางดีกว่างายกมือเคลื่อนไหวก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ค่อยชอบบางทีต้องอายคนนี่ก็ทำให้คนเห็นเราทา กรรมาฐานก็ไปอยู่ในห้องกติปิดประตูปิดประตูทําในห้องหลวงพอเทียนเดินไปอาจจะหลวงพ่อเทียนเห็นเราปิดประตูทุกวันนะไม่เห็นนั่งสร้างจังหวะหลวอเทียนก็เดินไปทำอะรอยู่ก็บรรงทําความเพียนอยู่เห็นข้างนอกไหมไม่เห็น เห็นแต่ข้างในถ้าจะเห็นข้างนอกก็ต้องทอํายังไงต้องเปิดประตูออกลองเปิดประตูออกมารู้ซิพอเปิดประตูออกหลวงพ่อก็ถามว่าเห็นข้างนอกไห ม, ไหมเห็นข้างในไหมเห็นทั้งข้างนอกหลวงพ่อเห็นทั้งข้างในมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะทำความเพียรก็ ถ้าปิดประตูก็นึว่านอนไม่กล้าจะถามถ้าจะทความเคารพก็อาจจะเห็นบ้างเดินจังกลมบ้างนั่งสร้างจังหวะบ้างพอจะได้ถามกันได้ถ้าปิดประตูมันก็คิดว่านอนเช่ไหอาจจะถือว่ารบกวนก็ไม่กล้าเนี่มันก็อายนะเข้าไหมอายไหม <laughs> อะไรเนี่ยมันเอาได้เอาไม่ได้ต่อรองอยู่เนี่ยจนหลายวันก็ไม่รู้อะไรเน้นน้อยมาถามอ้อยอายอายเจ้าลูบลูบลูลน้ําบ่โอ้ยไม่รู้เลยเนนเลยเอ้ยค่อยปฏิบัติห้าวันรูจ้จักรูบน้ําแล้วละ่ะโอ้ยเสียใจอาจารย์เราเนี่หละมา้าไม่รู้อะไรนะ มันก็ชีดแบปไหมไม่รู้เอารู้เอาไม่รู้เลยคนอื่นเขารู้ห้าวันสามวันเขารู้รู้รู้น้ําเราไม่รู้เลยเป็นน้อยอธิบายรู้น้ำไม่ฟังรู้เป็นอย่างนี้น้ําเป็นอย่างนี้เทศได้เจ้าจะโอ๊ยากกราบเท่าเนนน้อยก็เลยบอกพอแล้วแนนพอแล้วไอ้จะทําเองแต่หมายก่อนเป็นโยมนะไอ้ทาเองดอกเนนน้อยเขายังรู้เราทั้งโลก มันก็เอาได้ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นหมกมุ่นจนไม่ได้ทำชื่อซื่อสติมันชื่อซื่ันหลงลู้ชื่อซื่ออะไเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วมันรู้ชื่อซื่อรูชื่อซื่อเหมันสุกก็รู้ชื่อซื่อมันทุกก็รู้ชื่อซื่อมันผิดก็รู้ชื่อซื่อรู้แล้วมานรู้เหมันสุดยอดแล้วจบแล้วแล้วมันหลงลู้มันจบแล้วความหลงจบไปแล้ว ทำไมจังหลงมันอะไรมันหลงข้ออะไรเลมันก็ล้นหลับแบบเหมือนกับ น, นกกับไม้มันนกบินออกไปไ ป, ไปลูรลอยนกมันไม่มีลอยความหลงลอยความกดมัม้ยไม่ถ้ามันรู้มันก็จบไปแล้วจบไปแล้วจบไปแล้วอย่างนี้จะมีอาจารย์แม่ไก่คอยดูแลอาจารย์ชลินอาจารย์อยู่นี่สอนได้ทั้งหมดไม่ต้อง กังวลจะไม่พาหลงทิศหลงทางแน่นอนในกรรมฐานเนี่ยต่อให้เชื่อฟังกันว่ามันหลงรู้อย่างแน่เออดีหดึงเอาใจใจตัวเองเป็นพลาต่อเราทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็จะบอกจะสอนท่านท่านก็ต้องเชื่อฟังเชื่อฟังในความดีเราบอกว่าหลงไม่ถูกต้องรู้ถูกต้องกว่า โกรธไม่ถูกต้องไม่โกรธถูกต้องขวัวทุกไม่ถูกต้องไม่ทุกถูกต้องขวัวมันเป็นอย่างนี้โคตทิศจริงมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนหลงเป็นลูกให้ลูกไปมากๆลูกไปมากๆทำตัวลูกมากๆตั้งเบื้องต้นก็นกนรู้สึกตัวท่าที่ท่ามกลางก็รู้สึกตัวที่สุดถึงมักถึงฝันเคยคงรู้ตัวอย่างพระเจ้าสูป่ปณิพันธ์ เพราะเราศุกเสียได้เพราะเราทุกข์เสียได้เพราะเราศุกเสียได้เพราะเราทุกข์เสียได้จิต เ, เป็นเอกมีสติแล้วเลยอยู่มีสติแล้วอยู่เหนือการเกิดเจเจ็บตายเป็นอย่างนี้ไม่ได้เจ็บพเพราะเจ็บเห็นมันเจ็บมีสตินี่แหละวิธีเข้าถึงเหนือการเกิดเจเจ็บตายมันอยู่ตั้งแต่ล่มต้นนี้ไปตามกลางที่สุด ก็จะดีที่สดนั้น